ทุกครั้งที่เห็นที่รู้ว่า เ, ออเขาข่มเนี่ยนะฮะก็จะเห็นจากอาการที่มันแน่นๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเห็นตอนที่เขาพอนั่นไปแล้วเห็นว่าใจเขาข่มเห็นตอนตอนการกระทําของเขาครับดีแล้แต่ก็รู้สึกว่าใจก็ยังเป็นกลางพอสมควรไม่ไม่ได้ถึงจะเสื่อมจะอะไรไปก็ใจก็ยังนิ่งๆไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทุรนทุรายเดือดร้อน อ, อะไร ตรงตรงนิ่งมีสองนิ่งนะนิ่งหนึ่งนิ่งเพราะว่าสมถะนิ่งหนึ่งเพราะนิ่งเพราะมีปัญญาครับที่พี่ชัยนิ่งใช้ได้ละมันเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเจริญเนื้วเสื่อมเดี๋ยวเจริญเนื้อเสื่อมนะบังคับไม่ได้ใจเราเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่อยเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตมันจะไปรู้สภาวะอะไรก็ได้แต่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรม ล้ว น, นแต่เป็นของปรุงแต่งแต่จิตของผู้รู้พอรู้แล้วเนี่ยไม่แต่งต่อก็จบลงที่เขาทำงานของเขาเราเราไปรู้ก็จบละก็จะเห็นเลยเขาทำงานของเขาได้เองดูออกแล้วใช่ไหมครับทำได้เองบ<า>งับงคับอะไรไม่ได้เลยเออบังคับไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปพอใจเราซึมทราบถึงความจริงนะมันค่อยเป็นกลางเป็นกลางไม่ปรุงพอใจไม่ปรุงรู้โดยไม่ปรุงต่อนี่ ถ้ากำลังของสติสมาธิปัญญาเพียงพอนะ อ, ร, อริยมรรคจะเกิดขึ้นยังไม่พอมันก็เรียนไปอีกเพราะใจยังไม่เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางใจก็ดิน้นดิ้นก็ปรุงอีกนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนี่ถ้าเราเห็นเลยชั่วก็ใช้ไม่ได้นะดีก็ใช้ไม่ได้วางสบายบาง่าย บางครั้งก็เห็นว่าดินนี่เราไม่ได้ดิ้นเอ ง, ขของขเองขาดิ้นของเขาเองก็มีเขาดิ้นของเขาเองใช่ดีละเราก็เฉยๆเขาก็ดิ้นของเขาก็มีเราดูเฉยๆแต่ตัวเฉยต้องระวังนิดนึงอยาให้ใจมันเฉยนะอยากให้ใจมันเฉยแต่ไม่ไม่เฉยมากใช่ไหมครับ<ะ> <พอ S 2> ถ้าใจเป็นกลางนี่อย่างหนึ่งนะกลางรพระสติเพระปัญญาใจเฉยเมยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้หลวงปูนะ่ ม, มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย ให้ด <ạ. S 1> uh, ูเอาครับถ้าเฉยอนหนึ่งะเฉยเบิกบานนะเฉยอหนึ่งเฉยซึมกระทือหรือเฉยแห้งแรงเฉยแข็งแข็งเฉยแข็งแข็งอย่างคุณมนเนี่ยเฉยเฉยแข็งแข็งอยู่ข้างในอยังโยมเมื่อกี้นี้ไปไหนละยังไม่เข้ามาเนี่ยเฉยแข็งแข็งเอาอ้อย มันมีโมหะแล้วซึมซึมอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็สังเกตว่าเวลานั่งสมาธิทุกครั้งที่นั่งหลับตามันจะซึมเองมันจะทุกครั้งนี่มันจะซึมอะค่ะต้อง เ, เ, เปิดไว้ค่ะยมเดินจงกรมเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกรรมาฐานเคลื่อนไหวดีนะดีกรรมาฐานนิ่งนิ่งทำยากนิ่งแล้วมักจะเน่าไปเลยเหมือนน้านิ่งนะน้ํานิ่งน้ําเน่า เป็นไหวมีโมหานนิดหนึ่งส่งมาข้างหน้าข้างหน้าแถวมันเลยขึ้นไปก็ <c oughs> รู้สึกว่าหลงเยอะค่ะแล้วก็เวลารู้สึกตัวนี้มันจะผิวๆมันไม่ค่อยชัดอย่าอยากชัดนะรู้ไปว่าหลงรู้ว่าผิวๆรู้อย่างที่มันเป็นจิตมันไม่มีแรงไม่ตั้งมัน่น ตัวความตั้งมั่นสำคัญนะตัวความสมาสมาธิบางคนสงสัยนะบอกว่าทำไมบางทีหลวงพ่อเ็พูดแต่เรื่องสติสตินะช่วงหลังๆมาเข้มงวดเรื่องสมาธิพวกเราพอมีสติขึ้นมาละพอไปรู้รูปรู้นามใจมันไม่ตั้งมั่นพอรู้ไปนานๆมันไม่มีกำลังจะต้องเพิ่มสมาธินิดหนึง่งสมาธิก็สำคัญนะแต่ สมาธิที่ขาดสติมิจฉาสมาธิเคลิ้มเลิมใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นไม่ทำซะดีกว่าทําแล้วนิสัยเสียส่วนใหญ่สมาธิที่เขาทํากันมันสมาธินิสัยเสียทำํำเราลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะขาดสติไม่ได้เลยขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิเลยสมาธิที่หลวงพ่อนแนะนําให้ทําคือ <ท>มีมหลายวิธีนะเยอะแยะเลยประมาที่มันง่ายมันไม่เลือกวิธีการไม่เลือกอารมณ์ด้วยนะออแค่สมมติว่าเราทำอะไรไม่เป็นเลยเราไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะใจที่ฟุ้งซ่านเราสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าไปอะไรไปเงี้ยหรือคิดถึงครูบาอาจารย์ไปนะใจเราค่อยสงบค่อยตั้งมั่นขึ้นมาหรือแค่เรากราบพระนะกราบให้เป็นนะ ทำความรู้สึกในใจเราเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่ต่อหน้าเราเงี้ยเรากราบลงแทบเท้าท่านทําความรู้สึกในใจอย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมานะสมาธิเรื่องปรุงแต่งเราทำความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมานะจิตเกิดปีติขึ้นมาเลยมีความปีติมีความสุขมีความสงบขึ้นมาง่ายๆทําทอะไรไม่เป็นนะหาซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาตามแม่น้ําตามอะไรเงี้ยเลี้ยงอาหารปลา ทำทานทำทานทำทานไปจิตใจเรามีความสุขทำทานนะจิตมันเป็นกุศลเนี่ยจิตเป็นบุญทำทานไปเราก็ดูไปนะมีความสุขหลวงปู่สุวัตเนะี่ยเคยให้ลูกศิษย์ไปขุดบ่อน้ําไว้นึกว่าท่านจะเอาน้ําไว้ใช้พอขุดเสร็จนะลงทุนไปเยอะเลยขุดเสร็จแล้วท่านสั่งบอกให้ไปหาปลามาปล่อยนะทาปลาอะไรปลาอะไรก็ได้ <c oughs> นึกว่าจะเอาปลาคราฟ นี่แทนปลาอะไรก็ได้เอามาปล่อยเอาปลามาปล่อยนะน้ํามันก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ําจะขาวไอ้ท่านไม่ได้อยากได้น้ำนํำนี่นั่นนั้นเสร็จแล้วท่านก็สั่งพวกโยมไม่มีความสุขให้ไปเลี้ยงปลาเนี่ยให้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความสบายขึ้นมาค่อยรู้ความสุขความสบายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะ สมาธิเกิดจากความสุขนะงนั้นความสุขความสบายจิตใจเรามีความสุขมีความสบายจิตใจก็เกิดสมาธิขึ้นมาสงบสบายเดินวิปัสสนาต่อก็ยังได้เลยเลี้ยงปลานะปลามากินอาหารที่เราให้เราดีใจนะรีบให้ใหญ่เลย mm. เกิดมีปลาใหญ่ๆมาแย่งกินหมดเลยตัวเล็กไม่ได้กินเราชักโมโหละนะ mm. แล้วนะเราก็รู้ว่าโมโหเนี่ยแม้กรรมฐานนะ้จริงๆง่าย อยู่ในชีวิตเราธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วมันง่ายไปหมดเลยใจเราทีแรกเฉยนะเห็นปลามันแย่งกันกินไม่ยุติธรรมชักโมโหรู้ว่าโมโหนะเห็นเลยความโมโหเป็นนามธรรมอันหนึ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ใจเราไม่ได้เชื้อเชิญนะโมโหเองเราจะเห็นเลยจิตมันทํางานได้เองมันปรุงแต่งได้เองแม้เจริญปัญญาจริงๆไม่ได้ยากอะไรสมาธิก็ง่ายนะถ้ารู้หลักแล้ง่ายไปหมดเลย อย่างธรรมานาปนสติถ้ารู้หลักก็ง่ายต้องให้สบายเมื่อเริ่มต้นหายใจต้องหายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนี่ยพอเราหายใจออกก่อนใจจะผ่อนคลายใจผ่อนคลายใจก็สงบแล้วใจก็มีความสุขก็สงบง่ายหรือทําอะไรไม่ได้พุโทโธก็ได้ใจชอบหนีไปคิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มันคิดพุดโทโธเรื่องเดียวพุโทโธพุโทโธแต่อย่าไปเค้นใจนะ อย่าไปเข้นว่าต้องสงบต้องสงบเนี่ยใจจะไม่มีความสุขแล้วไม่ยอมสงบพุโทโธเล่นเล่นแล้วสงบพุโทโธพุธโทโธไปไม่ใช่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปเลยนะโมโหนะมันไม่สงบสตินะอย่างนี้นใช้ไม่ได้จริงจริงง่ายนะกรรมฐานไม่เห็นมีอะไรเลยจริงง่ายสุดๆเลยรอบรอบตัวเราทำกรรมฐานได้หมดเลยยิ่งสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์สมถะ อะไรก็ใช้ได้หมดอารมณ์รูปนามก็ใช้ได้นะอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะได้อารมณ์บัญญัติก็ใช้ทําสมถะได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงก็าเขาเป็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนาแค่รู้กายรู้ใจยังได้แค่สมถะนะแค่สมถ ะ, ะนั้นระวังนิดนึงบางคนมาคุยบอกว่าดูจิตแล้วทำสมถะไม่จําเป็น ดูจิตแล้วไปเพ่งจิตมันก็เป็นวิปัสสนาดูจิตก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวิปัสนาตลอดถ้าดูไม่ถูกดูแล้วเพ่งเอาเพ่งเอาได้สมถะถ้าดูไปแล้วก็เห็นจิตใจเขาทํางานไปเขาเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองดูไปแล้วถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตใจนี้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเห็นแต่ว่าเป็นธรรมชาตินั่นึอง อย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาทอดถอนความเห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้กรรมฐานใดที่ไม่ได้ไปถอดถอนความเห็นผิดเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายังไม่ใช่วิปัสนาจริงหรอกได้แค่สมถะงั้นรู้กายรู้ใจก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิปัสนาเสมอไปอย่างบางคนรู้ท้องพองยุบเนี่ยเกือบร้อยละร้อ ย, ยนะทําสมถะไม่ใช่วิปัสนาหรอกไปเพ่งท้องเพ่งให้ใจจอ่อนิ่งๆอยู่กับท้อง ไ, ได้สมถะ ไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าแล้วเพ่งที่เท้าไว้นะ ไ, ได้สมถะเดินไปเดินไปตัวลอยนะตัวเบาตัวโครงวุบวุบบ้าบ้นะขนลุกขนชั น, นเหมือนฟ้าแลบแลบแลบๆล บ, บ, บ, บนะนี่อาการของปีติอาการของสมถะทั้งหมดเลยฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้รูปรู้นามจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะมันอยู่ที่คุณภาพของการรู้ด้วยต้องรู้จริงถึงจะเป็นวิปัสสนานะรู้จริงว่าไงรู้จริงว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนี่ เป็นของไม่เที่ยงนะเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็ได้เขาเป็นทุกข์ก็ได้เห็นว่าเขาถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ก็ถูกบีบคั้นนะจิตใจก็ถูกบีบคั้นนะร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนะจิตใจถูกตัณหาบีบคั้นนะถูกบีบคั้นแล้วดิ้นดิ้ น, ด, นดิ้นไปด้ทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกจิตใจเป็นนามธรรม ทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายเดี๋ยวมันก็เผลอไปเดี๋ยวมันก็เพ่งไว้เดี๋ยวมันทำอย่างน้นเดี๋ยวทำงี้เดี๋ยวโลบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงทาเองเนี่ยดูลงไปดูซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอะไรความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเฉยๆเป็นนามธรรมเฉยๆเห็นเข้าไปอย่างนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้จนกระทั่งล่าความเห็นผิด ว่าขันห้าเป็นตัวเราได้พวกเราจะสะสมแต่ความเห็นผิดนะตลอดเวลาที่ผ่านมาในสังสารวัตที่ร่อนเร่เดินทางนี้ส่วนใหญ่จะสะสมแต่ความเห็นผิดเวลาเรามองเราก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเวลาเราฟังก็มีเสียงคนเสียงสยัตว์เสียงเราเสียงเขาขึ้นมาอีกนะเราไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ใช่คนไม่มีเรามีเขาเมื่อไร่สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเนี่เห็นเลย รูประธรรมนามธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนหะ็น <c oughs> ทันทีเลยถ้าสติตัวจริงๆเกิดขึ้นมาสติตัวปลอมเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นสัตว์เป็นคนอยู่อย่างเก่งก็แค่คิดว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนคิดเอานะไม่ใช่ของจริงนะอย่างบางคนนั่งดูยีริยาบทสี่เนี่ยแล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยๆไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นรูปเป็ที่รู้เป็นนามอันนี้คิดเอานะอย่างงี้ไม่ใช่วิปัสสนาวนะิปัสสนาต้องเห็นจริงๆ รูปนี่รู้สึกไหมองสัมผัสลงไปเนี่ยสัมผัสไหมนี่มันก้อนอะไรก้อนหนึ่งท่อนอะไรท่อนหนึ่งรู้สึกไหมไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนแข็งแข็งท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนแข็งแข็งนี่เรียกว่าธาตุดินไม่ใช่คนไม่รู้สึกใครหัดจเจริญสติกับหลวงพ่อพักหนึ่งแล้วว่าวันหนึ่งไปส่องกระจกอาจจะตกใจไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นบ้างไหมไอ้นี่ตัวอะไรว่าทาไมหน้าตามันทีลึกนะทำไมมันมีปากอยู่ใต้จมูกไหม เราสึกเลยมันไม่ใช่เราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเรานีไม่มีเราเนี่ยภาวนาพอเราสติเกิดนะเห็นสภาวะสภาวะนั้นจะแสดงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขึ้นมาเลยอย่างความโกรธผุดขึ้นมาแว๊บเนี่ยสติไปรลึกรู้เนี่ยเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตว์นะใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์ใครเห็นความโกรธเป็นคนก็เพี้ยนละใช่ไหมเราเห็นตัวความโกรธ ความโลภความหลงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นแค่นามมาทำมันห น, นึง่งมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ damned, มมไม่เกิดพอเกิดมาแล้วอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็หายไปหมดเหตุมันดับไปเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้นะมันเกิดมีเหตุมันก็เกิดบังคับมันไม่ใ like ห้เกิดไม่ได้อย่างใจเราจะโกรธนี่ห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ให้โกรธนะไม่ได้ฝึกไม่ให้โลภไม่ได้ฝึกไม่ให้หลงฝึกให้รู้ความจริงเลยถ้ามีเหตุมันก็ ก็โกรธขึ้นมามีเหตุมันก็โลภมีเหตุมันก็หลงห้ามมันไม่ได้เนี่แล้วความโกรธความโลภความหลงอะไรก็มไม่ใช่ตัวเราอีกเป็นนามธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอีกตัวเราไม่มีนะค่อยๆดูไปดูกายดูใจดูกายดูใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นเลยมันไม่มีเรามันไม่มีเราค่อยๆละความเห็นผิดได้ทีละน้อยๆบางคนใจร้อนนะภาวนา ตั้งเป้าไว้เลยเจ็ดวันจะต้องบรรลุธรรมหรือเจ็เดือนบรรลุธรรมจะเดือนบรรลุธรรมเห็นมีแต่ในหนังสือของดังตรินนะเจ็เดือนบรรลุธรรมตัวจริงก็พอมีบ้างนะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่พวกเรานะเพราะหลวงพ่อเห็นหน้าพวกเรามาเป็นปีๆแล้วบางคนคงนะรอเจ็ดปีมั้งนะถ้าเจ็ปีไม่ได้เอาเจชาตินะสู้ตายนะมันต้องบรรลุเพิสักวันนะบรรลุเพราะอะไรเพราะเห็นถูกเขาเกิดความเห็นถูกรู้ถูกเข้าใจถูก ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามีสติขึ้นมาจะเห็นมันไม่ใช่เราถ้าขาดสติมันจะเป็นเราขึ้นมาพอขาดสติจิตจะไปคิดพะจิตไปคิดความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเราจริงๆคือความคิดเท่านั้นเองเป็นความคิดผิดๆ ด, ด้วยความเคยชินเรียกว่าวิปลาสวิปลาดที่คนไทยแปลว่าบ้าวิปลาสจริงคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเราภาวนา นิดๆหน่อยๆเราอยากบรรลุเร็วๆนี่เอาเปรียบไปหน่อยนะเอาเปรียบสังคมนะที่สะสมความเห็นผิดสะสมข้ามภพข้ามชาติภาวนาเจยาะเยะแยะแเมื่อไหร่จะตัดสตินี่ยเอาเปรียบไปหน่อยนะยงั้นถ้าสติเราเกิดบ่อยๆสิมีโอกาสบรรลุมรรคผลนะถ้านานๆเกิดทีหนึ่งหรือชาตินี้ยังไม่เคยเกิดเลยนะยังอีกไกลยังอีกไกลต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฟังธรรมะ มรรมที่หลวงพ่อพูดนะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะแต่ทนทนฟังไว้แล้วสติจะเกิดนะกล้าท้าเลยนะแต่กับบางคนไม่เกิดนะถ้าพวกคิดมากฟังไงก็ไม่เกิดถ้าพวกไม่คิดมากเนี่ยฟังไปเรื่อยๆซีดีหลวงพ่อฟังแล้วตื่นสติจะเกิดขึ้นมาพอสติเกิดเนี่ยหลุดออกจากโลกของความคิดได้พอหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้มันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะเห็นทันที แต่กายจะเห็นง่ายกว่าแค่รู้สึกตัวแวบเนี่ยจะรู้สึกแล้วตัวนี้ไม่ใช่เรารู้สึกแล้วยังพวกเราเนี่ยพวกที่หน้าเกา่าๆเนี่ยรู้สึกทั้งนั้นอ่ะตัวนี้มันไม่ใช่เราแล้วร่างกายเหลือแต่จิตรู้สึกเป็นเราอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เร า, าศาสนาอื่นเขาก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังธรรมนะไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา จะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราเพราะจิตนี้เป็นของที่เกิดดับรวดเร็วเราไม่เคยเห็นความเกิดดับของมันรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมนั่นแหละเรารู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเราเห็นว่าจิตนี้เกิดดับนะเดี๋ยวก็เป็นจิตโกรธเดี๋ยวก็จิตโลภเดี๋ยวก็จิตหลงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกๆดวงจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วจิตสุขจิตทุกมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลย จิตที่เกิดที่ตาจิตที่เกิดที่หูจิตที่เกิดทางใจมีแต่เกิดแล้วก็ดับหมดเลยเนี่ยต้องเห็นของจริงเห็นตัวจิตจริงๆนะมันเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยจะค่อยๆละความเห็นผิดได้ว่าจิตนี้เที่ยงแต่เดิมเห็นว่าจิตเที่ยงนะเห็นว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราถาวรเลยเราวันนี้กับเราปีกลายก็คนเดิมจะฟังธรรมะไปจนสติเกิดรู้ทันจิตไปเป็นระยะระยะระยะไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยจิตไม่ใช่เราหรอก วันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงนะจะได้พระโสดาบันแนละจิตจะรวมเข้ามาเองแนละ้วมาตัดสินความรู้ในสมาสมาบัตนะต้องรวมเข้าสมาธิมนะเวลาจิตตัดสินความรู้เกิดอริยมรรคไม่ได้เกิดด้วยจิตปกติอย่างนี้จิตจะต้องทรงฌานฌานจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะจิตรวมเข้ามาถึงจะถอดถอนความเห็นจิตได้พอรวมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมเกิดดับ สขนาดสมขนาดถ้ากําลังพอมันเห็น2อสามขนาดแล้วเจอเริ่มเกิดอริยมรรคขึ้นมากําลังไม่พอนะพอเห็นสภาวธรรมแล้วจิตไม่มีขันติจิตไม่มีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุพอเห็นอารมณ์นี้แล้วก็ยินดีเห็นอารมณ์นี้แล้วยินร้ายพอยินดียินร้ายขึ้นมาจิตหมุนติ้วติ้วติ้ ว, วทงานอีกนะรูดออกมาเลยไม่เกิดมากเกิดผลอะไรหรอกนะแต่ถ้าจิตเห็นสภาวธรรมภายในนะตอนนั้นจิตรวมเข้าสมาธิแล้วเห็นสภาวะข้างใน เกิดดับเก ด, ดับอยู่ภายในสองขณนะ3ขณนะแะจิตมีขันติอดทนอดกลั้นได้ขันติอัตโนมัตินะไม่ใช่เราทนนะจิตมันทนของมันเองมันทนต่อความเป็นจริงของขันนะทนได้มาอายุยุยังไงจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะรู้ลูกเดียวรู้เป็นกลางไม่คิดด้วยนะไม่มานั่งแปลนะว่าไอ้นี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ถ้ายังแปลได้ยังไม่ใช่ของแท้หรอกเสร็จแล้วจิตจะวางการรับรู้ วางการรับรู้สภาวะธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นี่เข้ามาตัดสินความรู้ที่ใจนี่เองนะั้นการภาวนาไม่มีอะไรยากหรอกให้รู้สึกตัวอย่าใจลอยไปนะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจคอยรู้กายคอยรู้ใจไปนะมีสติขึ้นมาก็เห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอกขาดสติก็หลงผิดว่าเป็นเราขึ้นมาอีกนะคอยรู้ไปรู้ไป คล้ยๆเอาน้ำดีนะไปไล่น้ำเน่าคอยยดน้ำดีลงไปมีน้ำาสกปรกอยู่ตุ่มหนึ่งหยดน้ำดีลงไปคือหยอดสติลงไปซ้ำแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้าอีกนาะมันเข้าไปแทนที่น้ำเน่าจนได้แหละวันหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายขั้นที่จะแตกหักนะจะทุบตุ่มทิ้งนะขั้นสุดท้ายทุบตุ่มน้ำทิ้งเพราะน้ำดีเก็บไว้นานๆก็เน่าอีกแหละ สังเกตใจสังเกตไปเรื่อยสังเกตแม้ใจเราทำงานตลอดเวลาดูไปครับก่อนตุนตังตรินสรันมาหาหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อสอนโยมแบบตลุมบอลอย่างเงี้ยพอรับหลังโยมนั้นมาบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพี่สอนแล้วทุ่มเทใช้ธาตุขันมากเกินไปนต้องนิมนต์ให้สงวนธาตุขัน สำมาสงวนยังไงอย่าเทศเลยเทศแล้วกินแรงเขียนหนังสือให้อ่านเนาผมกำลังทำอะไรทาหนังสือทางคอมพิวเตอร์บอกให้ไปเขียนลงที่โน้นแทนแล้วไม่ต้องสอนโยมสบายกว่ากันเยอะเลยสอนแล้วเหนื่อยแต่ถ้าโยมตั้งอกตั้งใจภาวนานะมันก็ยังพอสู้นะบางวันนี้เจอ เหนื่อยจริงๆเลยประเภทกลางเขี่ยวกลางเล็บมาเรียนเนยะบางทีพระด้วยนะพระก็มีว่าสองละมันก่อนก็มีพระมาถึงท่านเพิ่งบวชสามพันสายอย่างเงี้ย่านถึงท่านก็บอกเลยผมไม่ได้นับถือท่านเลยไม่ได้เชื่ออะไรท่านเลยผมจะมาลองดีท่านนะ <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วเอ อ, อเอาไงก็เอาไปเถอะนะ <c oughs> ค่อยค่อยสังเกตเอานะค่อยสังเกตเอา สังเกตอยู่ที่กายสังเกตอยู่ที่ใจอย่าลืมตัวเองคนในโลกนี้ที่รู้สึกตัวเนี่ยมีน้อยที่สุดเลยคนลืมตัวเองทั้งโลกเลยหาคนที่รู้สึกตัวได้มีน้อยที่สุดนับตัวได้เลยถ้าสามารถรู้สึกตัวมีสติรู้กายรู้ใจได้โลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์นะถึงไม่เป็นพระอาหารหันต์เนี่ยโสดาสกิทาคาไม่ใช่สิ่งเกินหวังสาหรับคารวาสเนี่ย ธรรมะเบื้องต้นโสดาส ก, กิทาคาอะไรพวกนี้พอทําได้ไม่ได้เกินหวังทีเดียวต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคนทั้งโลกนี้หลงเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดบอกคนในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนรู้สึกตัวคนไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อหาว่าหลวงพ่อใส่ร้ายป้ายสีนพอมาฟังธรรมะจนสติเกิดถึงอย่าใจหายเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะ เราหลงแต่เรานึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ถ้ารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้ถูกต้องเป็นจริงจะต้องได้ธรรมะนะในเวลาไม่นานเกินไปแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่ได้ธรรมะได้อธรรมแทนได้กิเลสตัณหาแทนนะสังเกตใจของเราให้ดีใจของเราชอบหนีไปจากตัวเองใจของเราชอบลืมตัวเอง ใจของเราชอบลืมร่างกายลืมจิตใจของตนเองชอบไปรู้สิ่งอื่นชอบไปดูคนอื่นชอบไปฟังคนอื่นนะชอบไปคิดเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยหนีตัวเองไปเลยลืมกายลืมใจของตัวเองไปต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปขั้นแรกรู้สึกก่อนแค่ไม่ใจลอยก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะต่อไปมีปัญญาประกอบด้วยมีสติรู้สึก มีปัญญาเข้าใจว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมีสติเป็นตัวรู้สึกนะมีปัญญาเป็นตัวเข้าใจจะต้องมีสติก่อนปัญญาถึงจะเกิดได้เนปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดเอาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติมีสติรู้กายรู้เนืองเนืองในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของกายเรียกว่าปัญญามีสติรู้จิตใจบ่อย ในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหลายคนภาวนานะฟังหลวงพ่อจนสติเกิดขึ้นมารู้กายรู้ใจเป็นบ่อยๆวันหนึ่งจิตใจตกต ก, ตกใจขึ้นมาเคยมารายงานมีบ่อยๆนะว่าตัวเราหายไปตกใจนะบางคนเกิดความเบือ่อ ตัวเราไม่มีแล้วไม่รู้จะหาความสุขไม่รู้จะทำอะไรต่อไปอยังไงแล้วก็ตัวเราไม่มีที่จะไปเสวยความสุขไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรอีกต่อไปแล้วรู้สึกเบื่อสุดขีดเลยบางคนรู้สึกเวิ้งวางรู้สึกน่ากลัวภาวนาไปเห็นกายเห็นใจไปเอ๊กายก็ไม่ใช่เราแฮ่ใจก็ไม่ใช่เรารู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกเวิร์งวางรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะ อาการเหล่านี้เป็นอาการที่จิตมันเดินปัญญามาช่วงหนึ่งแล้วนะถ้าพูดแบบปริยัติเนี่ยมันก็เป็นปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องนิพพิทายานบ้างอาทีนาวายานพะาตูปัฏฐานายาณเราไม่ต้องเรียนชื่อมันก็ได้แต่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจนะเราเคยเชื่อมั่นแน่นแฟนว่าเรามีกายมีใจกายกับใจเป็นตัวเราจริงๆ พอมีสติรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ตัวเราหายไปกายไม่ใช่ตัวเราใจไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจมันเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาเกิดวันไหวทนไม่ได้รู้สึกเบื่อนายรู้สึกกลัวรู้สึกเวิงว่างหาที่พึ่งไม่ได้เลยนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษล้วนๆไปหมดเลยในสังสารวัตนะเอียนไปหมดเลยกนะ็ตัวเราหายไปตกใจนะถ้าภาวนามาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจให้รู้ทันลงไปอีก ความเบื่อความรู้สึกเว้างว่างความกลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกใจค่อยรู้ทันลงไปนะใจค่อยตั้งมั่นความเบื่อไปอยู่ส่วนความเบื่อนะจิตอยู่ส่วนจิตนีความกลัวอยู่ส่วนความกลัวจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันอย่างนี้ยใจค่อยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายรู้ใจอีกเห็นเลยไม่มีเราไม่มีเรานะเห็นลงไปใจจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นไม่ดิ้นใจจะไม่ดิ้น ในที่สุดใจจะเกิดปัญญาเลยเห็นเลยทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดเลยตัวเราก็ไม่มนะีทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวกุศลชั่วคราวอากุศลชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดกายก็ชั่วคราวใจก็ชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรหายไปเนี่ยจิตเป็นกลางลูกเดียวเลยจิตไม่กระเพื่อมไม่ทํางานขึ้นมาเลยนะตรงนี้เป็นปัญญาสูงสุดที่นักปฏิบัติจะเดินไปได้ ปัญญาสูงสุดตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบกขายาณคือใจมันมีปัญญาเป็นกลางกับสังขารรู้ความจริงของสังขารแล้วเป็นกลางพรารู้ว่าสังขารทั้งหมดนะเป็นของชั่วคราวเป็นกลางไม่ดิ้นละต่อไปนี้ความสุขมาก็ไม่ดิ้นที่จะหามันไม่ดิ้นที่จะรักษามันความทุกมาก็ไม่ได้ดิ้นดิ้นต่อต้านมันหรือดิ้นหาทางแก้ไขมันใจไม่ดิ้นใจไม่ทํางาน เมื่อใจเราไม่ดิ้นรนไม่ทํางานต่อไปนะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้เฉพาะหน้าไปโดยที่ไม่ดิ้นเลยนะในที่สุดใจจะวางการรู้รูปรู้นามนะแล้วเข้าไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งคือนิพพานในใจจะเข้าไปเห็นนิพพานเกิดอริยมรรคขึ้นมาเห็นนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาปฏิมรนะเห็นนิพพาน งั้นถ้ายัางเป็นปูทุชนยังไม่เคยเห็นนิพพานไม่เคยเห็นนิพพานไปคิดเรื่องนิพพานไม่ได้เราจะประวาดภาพเพี้ยนเพียนตลอดเลยแล้วคิดว่านิพพานว่างเปล่านิพพานว่างเปล่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหรืนิพพานมีอยู่มีรูปมีนามนี่ก็มิจฉาทิฏฐินะยังมิจฉาทิฏฐิงั้ น, นให้รู้นจนกระทั่งใจเลิกดิ้นใจมีสันติสุขเกิดขึ้น สันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนี่หลวงปู่ดูลใช้คํานี้ตัวสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนั่นแหละคือนิพพานมันิพพานามีอภิธรรมจะสอนนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสงบจากขันสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกข์ไม่มีทุกข์ใจที่ดิ้นดิ้นดินนะดิ้นไม่เลิก ก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีความอยากอยากสุขอยากจะดีอยากพ้นทุกข์อยากไม่ให้ชั่วใจก็ดิ้นมีความอยากมีการดิ้นรนปรุงแต่งก็มีโลกมีทุกข์ขึ้นมาใจหมดอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจจะเข้าถึงสันติสุขหรือนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเดินชนอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นไม่ใส่ใจที่จะเห็นเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้วิธีการเราพุทธเจ้ามาสอนวิธีการเราที่จะเราไปเห็นนิพพานได้ก็คือให้เราเรียนรู้กายรู้ใจจนวางกายวางใจได้ไม่มีวิธีที่สองนะท่านถึงยืนยันว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเลยที่จะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องของการรู้กายรู้ใจล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลย ง้นอย่านึกเอานะว่านิพานเป็นความว่างนั้นทำใจให้ว่างแล้วเห็นนิพานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นต้องระมัดระวังนะคำสอนชนิดนี้เยอะนะในเมืองจีนเมื่อพันกว่าปีก็คำสอนอย่างนี้ก็เริ่มระบาดเกิดคำพีขึ้นมาชื่อมหายานไวยปุญญะธารณีสูตรจำไว้ไม่ต้อง มหายานก็มหายาณไวยปุญยะเป็นภาษาสันสกฤตคือคำว่าภัยบุญนั่นเองธารณีธารณีสูตรสอนไว้เลยนะว่าอะไรๆก็สุญญาตาสุญญาตาแล้วก็เพี้ยนอย่าลืมศีลสมาธิปัญญาอย่าลืมศีลสิษยาจิตศิษยาปัญญาศิษขาอย่าลืมการสร้างบารามีทั้งหลายนะไม่ใช่ว่า มีปัญญาปิ้งแล้วก็หลุดไปเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่มีบารมีเลยไม่ปิ้งหรอกมีแต่หลอกๆเอาเบอร์เจ็ดสิบสองใจหนีไปแล้วเอาที่นั่งข้างเบอร์หนึ่งอะผู้ชายเนี้ยใจลอยไปแล้วเอาเบอร์สิเบอร์สิททำอะไรอยู่รู้เบอร์ของตัวเองหน่อยนะที่หลงพ่อเรียกเบอร์อยังไม่รู้เรือเบอร์อะไร มีหนำซ้ำบางคนนะเอาเบอร์ไปยัดไว้ใต้เสือถึงจะแกว้นะัอยู่หลังๆก็บางกันเองนะไม่เห็นต้องทำที่ใหม่นะทำแบบเป็นอัธจรรทร์ขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบห้องเลคเชอร์เนี่ยเห็นแบนๆอย่างนี้ไม่เห็นบางกันไปบางกันมาเนี่ยใจลอยแวบไปแล้วหัดรู้สภาวะนะต่อไปนี้เรามาหัดรู้สภาวะ จิตใจเราแอบไปคิดเราคอยรู้จิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเราเฉยๆก็รู้จิตใจเราเคร่งเครียดก็รู้เกรงขึ้นมาก็รู้กลัวก็รู้นะให้คอยรู้ความรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะถ้าหัดรู้สภาวะมากๆแล้วต่อไปจิตจะจาสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจาสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นเองจาไว้นะสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิด ไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้สติเป็นความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะความระลึกได้มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักงั้นในตำราพิธรรมถึงบอกว่าทีราสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุให้เกิดสติงั้นต่อไปนี้เราจะหัดรู้สภาวะนะเรียนไปพร้อมๆกันตะกอน คนมาน้อยนะญาติโยมมาหาหลวงพ่อ5้าคน10คนอย่างเก่งก็30หลวงพ่อพาดูทีละคนได้เดี๋ยวนี้ต้องเล่นเป็นทีมแบบนี้แล้วนะค่อยๆหัดสังเกตของเราไปสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยใจทํางานอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมบางทีก็มามองหน้าหลวงพ่อนะมองนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฟังฟังแล้วก็แอบไปคิดฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสังเกตใจเราดูว่าทํางานอย่างที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่า ฟังอย่างเดียวยกมือให้ดูมีไหมฟังอย่างเดียวฟังไม่เป็นนั่นแหละฟังอย่างเดียวดูไม่ออกนะจิตนั้นมันสั่งมันไม่ได้จิตจะเกิดที่ตาจิตจะเกิดที่หูจิตจะเกิดที่ใจเลือกไม่ได้นะสั่งไม่ได้จิตเองก็เป็นอนัตตาจิตจะเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นหรือที่กายนะมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนบอกเป็นคนสั่งนะเรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิต เราไม่ต้องรู้จักก็ได้จิตจะสุขทุกเป็นกุศลอกุศลก็มีจิตดวงหนึ่งสั่งชื่อโวตทพันนจิตเราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มฟุ้งซ่านดูออกไหมส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านบางคนง่วงไปแล้วรู้สึกไหมพอพูดสับยากๆนะใจเริ่มซึมรู้สึกไหมใจเริ่มแปรสภาพคล้ายซุวมคือ <laughs> <c oughs> นะคือซึมซึมต่อไปก็จะเน่าเน่าเหม็นเหม็นนะ ค่อยๆรู้สึกนะเห็นไหยพอหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมใจก็ตื่นขึ้นมาใจ alert ขึ้นมาแล้วค่อยรู้สึกนะค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเภาวนาเขาเก่งนะคุณอมาราพบฉายสไลด์ให้ดูดูรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงนี่หัดดูความรู้สึกไปเรื่อยๆเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงนี่ดูมีอุปกรณ์ช่วยเหมือนกัน อีกหน่อยวิชาดูจิตคงสอนกันง่ายกว่านี้นะคุณตรงหนีไปคิดทราบไหมคุณตรงจันตูรู้สึกไวสะดุ้งเลยรู้สึกไห ม, ไหมใจมันไหววับขึ้นมาใจมันสะดุง้งรู้ว่าสะดุง้งเบอร์สามเบอร์3าปใจลอยละรู้สึกไหมใจลอยคือใจมันหนีไปนะอ่เบอร์หก็ใจลอยเหมือนกันรู้สึกไหม คนนี้ชอบเข้าสมาธิเนาะเรียนมาจากไหนชอบทำสมาธิไปฝึกมาจากไหนล่ะเหรอใจมันน้อมไปหาสมาธินะสมาธิดีมีประโยชน์แต่ถ้าเราจิตเราไปค้างอยู่กับสมาธิตลอดมันเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิเป็นที่นอนพักเป็นที่พักผ่อนการเจริญปัญญาเหมือนการทำงาน ถ้าเราพักผ่อนเยอะๆไม่ได้ทำมาหากินนะไม่รวยเราเข้าสมาธิมากๆไม่มาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจไม่ร่ำรวยด้วยปัญญานะปัญญาไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดงั้นเราทำสมาธิเพื่อให้พักผ่อนพอพักผ่อนใจสบายแล้วรู้ว่าสบายอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งอย่าไปกดไปพยมอย่างกดนะไปกดกดไว้หน่อยๆเบอร์หกใจลอยแล้วรู้สึกไหมเมื่อหก นี่เบอร์อะไรล่ะเนี่ยแสงมันสะท้อนเบอร์เจ็เบอร์เจ็ดทอะไรอยู่เบอร์เจ็ดตอบให้ชื่นใจซิเผลออยู่นะเผลออยู่นิมนต์ครับท่านอาจารย์เขาประกาศพูดกับโยมเลยนะครับรู้สึกไหมใจวอกแวกอยากดูนะหลาคนอยากดูอยากดูรู้ว่าอยากดูนะค่อยๆสังเกตสภาวะไปนะ เบอร์สิใจลอยไปแล้วเบอร์สิบเอยังไม่รู้อีกว่าเบอร์สิอรู้หรอทำไม่ทําใจซื้อบือ้ออย่าไปดึงนะอย่าไปดึงเบอร์สีเบอร์สีนี้ไปแล้วอา้าวดาวใจลอยเห็นไหมใจชอบลอยคนโบราณเก่งนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมมันลอยจริงๆริงนะมันลอยจริงๆ คนไทยแต่ก่อนนะบัญญัติศัพที่เกี่ยวกับจิตใจนี่เก่งมากเลยหลวงพ่อเคยรวมไม่ได้200กว่าตัวนะละเอียดยิบเลยความรู้สึกทางนามธรรมานี่แสดงว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยดูจิตเก่งเนือเก่งมากนะอิจฉาเห็นะพยาบาทเนะี่ยจองเวนเห็นไหมมีดีกรีนะนะมีดีกรีของมันเยอะแยะเลยนะโกรธก็มีหลายดีกรีนะขัดใจเครืองเห็นะนะคุณเห็นะ คุณๆมีหลายดีกรีจนกระทั่งเดือดมีหลายดีกรีในกิเลสโลกโรดหลงท่านนั้นบัณพบุุษเรากระจายออกไปได้ร่วมสองอตัวหลวงพ่ออยู่ส่วนโฟนะตอนนั้นงานน้อยกว่านี้เอาพระจนานุกลมมาติ๊กติจดเจ้าเสนาคใครก็ไม่รู้นะมือร้ายไม่ใช่มือดีมาขอยืมไปดูแล้วเอาไปเลยนะ นั่นคุณผู้ชายที่ใส่แว่นตาใจลอยใจลอยทั้งสองแว่นเลยนะที่นั่งต่อกันสามแว่นด้วยก็ใจลอยอคนนะไม่มีเบอร์อเนะี่ยไม่เห็นเบอร์อพ่อไม่เห็นแล้วต่อไปต้องชูป้ายนะชูคุณอาพิชาติใจลอยไปแล้วคุณอาพิชาตินี่เป็นวิธีประหยัดแรงของหลวงพ่ อ, อแต่เพิ่มความเครียดให้พวกเรา ไม่ไม่รู้จะโดนฉกเมื่อไหร่รู้สึกไหมใจคอมันลุกลิกหลุกลิกมันไม่ค่อยสบายเลยมันหวาดเสียวรู้งนี้ไม่นั่งหน้าก็ดีนะเอาใครมีอะไรจะคุยเชิญเชิญเชิญหลักของการปฏิบัติหลวงพ่อพูดไปเยอะแล้วนะหนังสือก็มีซีดีก็เยอะนะฟังดูฟังไปจะใจจะตื่นขึ้นมา ใจตื่นแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงพอเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่เห็นความจริงของเขาเมื่มันชั่วคราวหมดใจมันจะไม่ดิ้นรนแล้วต่อไปนี้ใจจะสงบสันตินะจิตใจเข้าสู่ความสงบสันติถึงจุดที่เพียงพอเนี่ยจิตจะวางอารมณ์รูปนามเข้าไปเห็นนิพพานมีความสุขมากนะ ความสุขที่สุดเลยงันการภาวนาบางคนบอกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายนะมองโลกตามความเป็นจริงท่างหากละ่นะพะกายนี้ใจนี้มันสุขซะที่ไหนอะ่ะเราเรามารู้กายรู้ใจเราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนีนะ่ไม่ได้มองโลกแง่ร้ายแต่มองโลกแบบไม่หลอกตัวเองนะมองตามความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงปล่อยวางปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์นี่ตัวนี้ มีความสุขล้วนๆเลยไม่มีใครเหมือนเลยนะไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขจากการปฏิบัติจนกระทั่งใจเราพ้นจากความปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้จิตก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรนะมันทำงานเป็นกิริยาล้วนๆเลยไม่รักไม่ชังเมตานะมีความเมตตามันเกิดขึ้นมาแต่เมตตาแล้วไม่ใช่ทํากับทุกคนเหมือนกันนะ ถ้าเราเมตตาผู้ดีกับผู้ร้ายเหมือนกันแล้วก็นั่นคือไม่เมตตาแล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนบางทีก็ต้องเล่นงานเหมือนกันข่ม ค, คนที่ควรข่มชมคนที่ควรชมอะไรเงี้ยสมัยการเมืองร้อนๆนะ่ะหลวงพ่อกงพูดนะหนังสือพิมพ์จะเป็นลงดีว่าขอว่าอย่าลงเลยบอกว่าการเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่วนะศา ส, สนาพูทธไม่ได้สอนอย่างนั้น คอยรู้นะรู้นะใจหนีไปหมดแล้ว <S <S อ้าวโยมคนไหนมีอะไรจะคุยเชิญอ้าวเชิญเชพเออเวลาทากันบ้านครับหลวงอ่าคือมันจะมีความกลัวครับกลัวว่าจะทําผิดกลัวจะโงกะ่กลัวจะก็เกิดความเราแวงขึ้นมาครับ<อ>แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวผิดเพราะผิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโง่เพราะโง่อยู่แล้วครับนะ แต่ว่าเราตามรู้ตามดูอีกหน่อยไม่ผิดไม่โง่นะแล้วอย่ากลัวดูเข้าไปแล้วมันจะมีอาการประคองบังคับเออ น, นั่นแหละดีที่รู้ทันเนี่ยไม่เริ่มฉลาดแล้ว <c oughs> เริ่มว่ากลัวไม่ดีกลัวโง่ก็เลยประคองการประคองก็เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีกุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุก ไม่รู้ว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้มันดีอยากให้มันสุขพออยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็อุตส่าห์ไปประคองไว้แต่พอประคองไว้ก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกเห็นไหมสมน้ําหน้านะเพราะประคองเองก็ทุกข์เองแหละช่วยไม่ได้นะปรุงดีก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าทุกข์แบบคนดีปรุงชั่วก็ทุกข์นะทุกข์แบบคนชั่ว ทั้งหมดเลยจะปรุงดีปรุงชั่วเกิดจากรากกันเดียวกันนะคือเกิดจากอาวิชชาเกิดจากความไม่รู้ทุกข์นี่แหละไม่รู้ความจริงของขันของกายของใจเราคิดว่ากายกับใจคือตัวเราไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราหรอกเป็นาธาตุเป็นขันเป็นสมบัติของโลกงั้นหน้าที่ของเรานะเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทวนกระแสเข้ามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนละความเห็นผิดของกายของใจได้เกี่ ย, ยวกับกายกับใจได้เท่านี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆ ส่วนไอ้ที่ไปปรุงดีประครับประคองไว้ก็จะทุกข์ไปเลยตั้งแต่เริ่มประคองนั่นแหละนี่คนในโลกนะสติปัญญาเนี่ยมันไปไม่ถึงทุกคนต้องการพ้นทุกข์แต่ว่าการดิ้นรนพ้นทุกข์ของแต่ละคนนี่นะมันตื้นๆคนชั่วๆก็คิดว่าถ้าได้ตอบสนองกิเลสแล้วจะมีความสุขพ้นความทุกข์พอมันสนองกิเลสนะได้มาสุขกจะจีบสาวสักคนนะได้มาแล้ว เดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนะมันจะรู้สึกทุกขกว่าเก่าอีกสวยยิ ก, กนะูแฟนคนโน้นสวยกว่าเราอีกนะสวยกว่าแฟนเราอีกเนะี่ยมันจะถิวขึ้นไปอีกดิ้นอีกเนะฉันจะดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะหาไม่ได้หรอกเนี่ยคนไม่ฉลาดนะอีกพวกหนึ่งพวกฉลาดมากขึ้นหลวงพ่อใช้คําว่าฉลาดมากขึ้นนะคือเทียบกับโง่อ่นะหรือว่าฉลาดมากขึ้นกว่าจริงโง่น้อยหน่อยนั่นแหละนะพวกนี้จะประคองรักษาใจคือชาว นักปฏิบัติชาวเข้าวัดทั้งหลายนี่แหละคือพวกนี้แหละพวกรักษาความดีไว้พวกรักดีรักดีหามจัวจัวก็หนักนะไม่ใช่จัวเบาๆบาพอรักดีขึ้นมาก็ประคองควบคุมกายควบคุมใจความปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่ยอัตถกาถาสอนเลยบอกมีสองอันบังคับกายกับบังคับใจสังเกตไหมพอเราลงมือปฏิบัติทำเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจเมื่อนั้นเลยนี่คือความปรุงแต่งฝ่ายดีรักเง่าก็คืออาวิชาเหมือนกัน คิดว่าตัวเรามีจริงๆนะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ายังคอยควบคุมกายควบคุมใจอยู่ยังมีภาระอยู่นะถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะไม่มีอารมณ์มากระทบนะจะไม่ต้องรักษาใจเลยใจจะสบายไม่กระเทือนนะพวกนี้ก็จะปรุงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารนะไปน้อมใจไปหาความว่างๆไม่รับรู้อะไรนะหรือดับความรับรู้ดับจิตลงไปเลยนะเรียกว่าพรหมลูกฟัก น้อมใจเข้าหาความว่างนี่พวกอรูปพรมนะพวกนี้ไม่ไม่กระเทือนกับโลกแล้วเพราะว่าไม่สัมผัสกับโลกนี่เป็นความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้ความปรุงแต่งพวกนี้มาแล้วนะท่านเห็นว่าไม่พ้นหรอกนะปรุงชั่วก็ยิ่งแย่ใหญ่ลงอบายไปนะปรุงดีนะขึ้นสูงก็จริงแต่ก็ไม่พ้นอีกหนะลีกนี้การกระทบอารมณ์นะก็หนีได้ไม่นานพอหมดแรงการเพ่งนะั้นก็กลับมากระทบอีก ท่านเลยค้นพบวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการย้อนมาเรียนรู้ตัวเองมาดูลงที่กายดูลงที่ใจนะจนหมดความยึดกายยึดใจความปรุงแต่งสามแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกพอความปรุงแต่งฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายอาเนนชาไม่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นให้รู้นะรู้ทันไปเรื่อยว่าไงถ้าอย่างนั้นคนาแนะนาของหลวงอา ค, คือว่าสรเรารู้ว่าเรากาลังประคองเรากาลังบังคับก็ให้รู้ว่า ตอนนี้เรารู้ว่าจิตมันไปประคองจิตมันเปบังคับไม่ใช่เราประคองเราบังคับเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เห็นว่าเราทำงานตัวนี้ตัวสำคัญนะเนี่ยเห็นเราขยับมือเสร็จเลยเห็นเราขยับมือถ้ารู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวนะไม่ใช่เราเสหน่อยถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราออกไปค่อยๆถอดถอนค่อยๆรู้ไปจะถอยออกถอยออกนะ ในวันนึงขาดตับไปเลยไม่มีเรามีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้ทำไมมีความสุขล้วนๆเพราะมันพ้นจากขันแล้วขันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะวันใดที่ไม่พ้นจากขันยังทุกข์อยู่วันใดใจปล่อยวางขันใจก็พ้นทุกเรียกว่าพ้นทุกนะไม่ใช่เรียกว่าดับทุกใจมันพ้นจากขันใจมันก็พ้นจากทุกขวันใดสิ้นขันนั่นแหละถึงจะสิ้นทุกข์เลยดับตรงนั้นดับขันถึงจะเรียกดับทุก อ้ามีใครอีกไหมมีใครอีกไหมก็ช่วงนี้ปฏิบัติก็คือรู้สึกว่าเริ่มมันจะแวบแวบแตลอดครับคือความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเดิมที่ที่รู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีอันเดียวมันก็วิ่งวิ่งไปนู่นไปนี่มันเหมือนกับว่ามันมันดับแวบแแวบแอยู่อยู่เรื่อยๆครับเออดีดูแวบๆไปแต่ทีนี้มันคือบางทีดูไปมันก็เหมือนกับคือเวลามันแวบเนี่ยคืออาการทางกายมันจะมีแบบ ก็พลิบตาอยู่เรื่อยครับบางทีมันเรารู้สึกว่ามันอึดอัดด้วยบางครั้งครับผมไม่แน่ใจว่าที่อึดอัดเนี่ยเพราะว่าคือเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบางทีขับรถอยู่เนี่ยแล้วเราก็มันก็แวบแวบแวบ แ, แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าอึดอัดด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีงานต้องทําในการขับรถหรือเมันเลยดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยสบายใจถ้ารู้ะนะจะไม่อึดอัดถ้าจงใจรู้ก็จะอึดอัดครับถ้ารู้แล้วแทรกแซงก็จะอึดอัดถ้ารู้เฉยเฉยไม่อึดอัด แสดงว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอึดอัดหรือว่าไม่เราตั้งใ จ, ใจดูมากไปหรือไม่พอดูแล้วก็ไม่ชอบมันโทรศัพท์แทรกแล้วเราไม่เห็นหรือว่ามันมันแว บ, บแบบอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพยายามเข้าไปแทรกแซงเนะี่ยเนยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมวันนี้ช่วงช่วงนี้ฟูงมากเลยมันเออดูดูลงไปหน้าใจไม่ตั้งมัน่นใจต้องตั้งมั่นนะสมาธิสําคัญนะ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดนะไม่ใช่ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วทิ้งสมาธินะหลวงพ่อเคยเสียเวลาก่อนเรียนจากหลวงปู่ดูลุงปู่เทศอะไรเงี้ยนะดูจนชนานานญะสมาธิจะทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแรงส่งมันเยอะพอมาหัดดูจิตนะทิ้งมันไปเลยดูไปไดนะ้ผ่านไปสบายๆายนี่พอผ่านไปหลายปีดูไปเรื่อย ก็ เ, เห็นเกิดดับทุกวันนะไม่เห็นมันตัดเติมากขึ้นเลยนะมันอยู่แค่เก่าอ่ะใจใจะใจมันไม่พัฒนาขึ้นวันหนึ่งไปบ้านตากกราบอาจารย์มหาบัวสมัยนู้นท่านยังแข็งแรงนะท่านสอนอยู่ชั้นบนศาลาไม้ของท่านอยู่ข้างบนคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไปถึงพอท่านมานั่งนะเราก็รีบบุกเข้าไปก่อนท่านอาจารย์ผมขอโอกาส หันมามองหน้าแวบหนะึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังยุ่งให้นั่งรอตรงเนี้นั่งรอเสร็จแล้วพอท่านทําธุระอะไรของท่านเสร็จนะท่านหันมว่างไงถามว่างไงเนี่ยใครๆครกลัวท่านนะเวลาเรียนธรรมะไม่กลัวนะไม่รู้เป็นไงบอกท่านเลยบอกผมเรียนมาเนี่ยผมดูจิตดูใจนะมันก็ผ่านมาได้เรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจอย่างหนึง่งทําไมมันไม่พัฒนาต่อไปมันอยู่กับที่ ท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านจุดนี้ด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็ไม่ดีเท่าบริกรรมเอาไปไปทําเอาสอนอย่างนี้นะบางแลงงนะเอ๊ะทำไมให้เรากลับไปบริกรรมคือจริงๆท่านให้บริกรรมพุโทโธเนี่ยกำกับจิตไว้อีกทีเพราะกลับมาบ้านถึงมาสังเกตนะทำไมท่านมาให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าจิตของเราที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันรู้แล้วมันกระจายออกไปนอกๆมันรู้ไม่ถึงฐานนะมันรู้ไม่ถึงฐานนะมรรคไม่เกิดออก มันก็คลราคาซังอยู่อย่างนั้นแหละเราะฉั้นใจนีต้องตั้งมั่นนี่การทำใจให้ถึงฐานทำได้เยอะแยะเลยจะบริกรรมก็ได้หรือจะใช้วิธีรู้ทันว่าไม่ถึงฐานก็ได้ทำได้เยอะแยะนะหรือจะทำสมาธิให้จิตรวมจิตรวมเป็นอัปปนานะถอยออกมาใจก็ตั้งมั่นอย่างนี้ก็ได้ทำได้เยอะแยะถ้าเราทำสมาธิไม่เป็นให้เรารู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นมันจะเข้าตั้งตั้งมั่นเอง ใจตั้งมั่นเนี่ยมันถึงจะมีกำลังเดินต่อไปได้งั้นสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ควรเยียดยามนะหลายคนที่ชอบทรมีปั ส, สนานะชอบดูถูกสมถะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอนยิ่งคือสมถะและวิปัสสนานะเพราะฉะั้นต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่เจริญแบบปัญญาอ่อน จเจริญสมาธิแบบปัญญาอ่อนทำยังไงง่ายมากเลยนะเอาซีดีมาเปิดสักอันเอาเสียงเพลาะๆนะเสียงครูบาอาจารย์ที่นุ่มๆหน่อยเปิดแล้วเราก็นั่งไปนะเดี๋ยวนั่งนะงดงดงดงดนะ้าว <c oughs> <c oughs> นาแบบปัญญาอ่อนตื่นขึ้นมา ه, วันนี้ดีจังจิตสงบจังความจริงจิตสลบไม่ใช่จิตสงบนะ สมาธิจริงๆรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่เผลอๆขาดสติมีสติตลอดสายของการปฏิบัติสติจำเป็นมากเลยแต่ไม่ใช่สติแบบแข็งกระด้างถ้าจิตใจมีสติแข็งกระด้างจิตจะไม่สงบต้องมีสติสบายๆถึงจะสงบเคล็ดลับของสมถะคือสบายนะต้องสบายในพวกเราลองหลับตาที่ลองหลับตานะหายใจเข้าไปแล้วถอนใจแรงๆทีนึ่ง รู้สึกไหมตอนที่เราถอนใจเนี่ยใจเราสบายมันผ่อนคลายนะเรารับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายนะรู้สึกไมมใจสงบอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่สงบนะพวกที่คิดมากก็เริ่มวอกแวกตามนิสัยเดิมน ะ, อะพอแล้วพอแล้วอันนี้ทำให้รู้รสไปนิดหนึ่งนะถ้าต้องการความสงบง่ายๆอย่างนี้แหละถอนใจเฮือกเดียวก็สงบได้แล้วหลวงปู่เทศสอนบอกกลั้นใจกลั้นใจทีหนึ่ง แล้วจับความรู้สึกว่างๆไวนะ้แค่นี้ก็สงบแล้วจริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากเย็นอย่าขี้เกียจนัก็แล้วกันนะเอาแต่ดูดูดูทิ้งสมถะไปใจไม่ตั้งมั่นไม่มีแรงหรอกนะปัญญาไม่เกิดจริงหรอกอยกฟุ้งซ่านปัญญาที่ขาดสมาธิหนุนหลังนะฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ปัญญาตัวจริงจะขําพบพข้ามชาติอาคุณตรงเลยลืมไปเลย อา้าวมีเวลาให้โยมอีกสนาทีใครจะถามอะไรเชิญอา้าหมออติเชิญคือจะถามว่าช่วงช่วงเนี้ยฮะมันมันความรู้สึกตัวมันเหมือนกับแบบบางทีมันไปอยู่ข้างนอ ก, จ, กจิตมันมีโมหะอยู่ครับจิตมันไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตกระจายออกไปครับแต่ว่าบางทีเนียมันก็จะคือบางทีมันมันจะรู้ข้างนอกแต่บางทีมันจะมารู้ตรง ร, รู้รข้างนอกกับรู้ข้างในเท่ากันไหมครับเท่ากันคือจิตจะต้องเป็นกลางคําว่าจิตเป็นกลางเนี่ยไม่ได้ส่งนอกไม่ได้ส่งในหรอกหลวงพ่อแต่เดิมไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะถ้าว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะเราก็ดูจิตของเราดูอย่างเป็นกลางนะมันก็ผ่านเข้าใจธรรมะเป็นขั้นๆไปแต่มาดูไปนานๆเนี่ยมันถลําลงไปดูเนี่ยเพราะเราทิ้งสมถะไปเลย ถลําลงไปดูแล้วไปแช่อยู่ข้างในลึกเลยนะแต่อมาไปเจอหลวงปู่สิมครับหลวงปู่สิมพอเห็นนะเรียกเรียกเข้ามาหานะถ้าไม่รู้จักชื่อท่านก็เรียกชื่อเอาเองผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกนี่กิเลสอยู่นอกนี่ไอ้ฝั่งเรางงนะ เ, เคยได้ยินแต่ว่าอย่าส่งจีด อ, อกนอกะไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกนี่น ให้ออกมาอยู่นอกๆฟังแล้วงงไปหาหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าต้องเป็นกลางนะไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะท่านนุ่มหนวนท่านพูดอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในโอสบายแล้วต่อไปนี้เราจะประคองไว้ตรงกลางเหนะ็นไหมปรุงแต่งอีกแล้วอดปรุงไม่ได้หรอกคนะรูบาอาจารย์สอนอย่างนี้กูก็เลี่ยงไปปรุงอย่างนี้นะท่านดักทางนี้กูก็มาอยู่ตรงนี้อีกปรุงอีกนะมันอดปรุงไม่ได้นะจนกระทั่ง ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ปรุงแต่งเราก็ปรุงการไม่ปรุงอีกเราก็จะปรุงการไม่ปรุงอีกนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เราไปทําอะไรให้รู้ทันใจเราทําอะไรนะรู้ทันเมันเรื่อยใจเราส่งเข้าไปข้างในรู้ใจเราไหลไปข้างนอกรู้นะใจสงบรู้ฟุ้งซ่านรู้ใจเป็นยังไง ร, รู้ลูกเดียวเลยเราอย่าไปทําอะไรมันรู้มันอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันทํางานได้เอง นะมันไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้ค่อยละความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะได้พระโสดาบันอ่ะมีใครอีกไหมมีใครความจริงทีมนี้มันจะไปสาราลุงชินอยู่แล้วพรุ่งนี้มาถามอะไรวันนี้แต่ถามวันนี้ก็ดีนะสาราลุงชินคนเยอะว่าไงเ บ, บ e อร์ยี่อยากทราบว่าตอนนี้ยังประคองอยู่เปล่าประคองนิดหน่อยอยังประคองอยู่ครับรู้สึกไหมใจเรานิ่งๆครับ มันมันมันเคลื่อนไหวข้างนอกมันเคลื่อนไหวอ่ะแต่ข้างในมันมีตึงไว้นิดนึ่งมันซึมอยู่นิดหนึ่งอ่ะรู้สึกไหมใจยังซึมซึมมัวมัวอยู่นิดหนึ่งแล้วบางครั้งรู้สึกว่าอาการแน่นมันมีแน่นเล็กๆแน่นน้อยก็มีแน่นมากแน่นน้อยไม่แน่นครับยึดมากก็แน่นมากยืดน้อยก็แน่นน้อยอาการที่ประคองคืออาการที่ยังแน่นๆ่นอยู่หรือเปล่าใช่ใช่ ของโยมตอนนี้ยังมีแน่นนิดหนึ่งดูออกไหมดีแล้วตัวแน่นๆเนี่ยเป็นแค่เครื่องชี้วัดนะเราไม่ต้องไปแก้มันนะมันเป็นผลมันเป็นวิบากเป็นวิบากที่ให้เราสังเกตว่าเนี่ยยังเกาะอยู่ให้รู้ไว้นะให้รู้นะรู้รู้แล้วก็คอยสังเกตไปเราไปทำต้นเหตุของมันเราไปประคองฟังซิดีของหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าเดเจ้าค่ะ ก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนตามซีดีนะเจ้าคะ่ะก็ไม่ทราบว่าตอนนอี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างนะเจ้าคะ่ะเมื่อปีที่แล้ว เ, เรียนให้หลวงพ่อทราบว่าหลวงพ่อบอกว่ายังประคองอยู่นะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้นี่เราโยมรู้สึกว่ายังประคองไหมหรือเลิกละตอนนี้รู้สึกว่าเกรงนิดหน่อยเจ้าค่ะเออ น, นั่นแหละตอบถูกแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกต้องแล้วัง<ค><ะ>เกณฑ์ไหมตรงที่เราวางปั๊บเนี่ยมันมีความเบิกบานปุดขึ้นมาเลย<ค>ะนะคะ เวลาจิตมันรู้สึกตัวมีสติขึ้นอย่างแท้จริงจิตเป็นกุศลนะจิตเป็นกุศลมันจะมีโสมนัสโสมนัสนเวทนามีความเบิกบานขุดขึ้นมาเองรู้สึกไหมใจมันเบาใจมันสบายที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วแต่ถ้ามาถามว่าตอนนี้ถูกไหมตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เกรงแ ต, แต่ที่ทำอยู่ถถูกแล้วด<ช>ูเรื่อยๆนะดูไปเจ้า <นะ S 1> ค่ะได้แค่นี้โยมนะขอเวลาให้พระบ้าง